บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานไม่ว่าจะเป็นส่วนของสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ตามถ้าเราพูดให้โดยสรุปก็จะพบว่าท่านใช้อารมณ์ที่สรุปรวมเป็นรูปกดนหน คือส่วนที่เป็นรูปธรรมกับส่วนที่เป็นนามธรรมในความเป็รูปธรรมนามธรรมนั้นก็มีหยาบกลางละเอียดไปโดยลำดับเพื่อสอดคล้องกับพื้นเพ จ, จริตตยาณใสของคนภูมิปัญญาของคนาังนั บ, บางของกิเลสที่มีอยู่ไม่เหมือนกันทิ่จำนวนอีกอย่างหนึ่งตั้งใช้คำว่าตามความแก่อ่อนของอิสสีแห่งสัตว์ทั้งหลายหลักของมาสติปทานในสูตร ที่ทรงแสดงว่าเป็นทางอันเด็กหรือเป็นทางทางเดียวที่จะนำคนเข้าไปสู่ผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาที่สรุปรวมเป็นความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายฝึกฟอกอัตยาสายจิตใจของบุคคลในประนีตขึ้นไปโดยลำดับจนเข้าถึงความสมบูรณ์เต็มเปี่ยมแห่งศีลสมาธิปัญญา ก็อาศัยนัยะเดียวกันนั่นคือเริ่มสอนจากส่วนที่เป็นรูปธรรมหยาบๆไปโดยลำดับเพื่อให้บุคคลได้เลือกประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องกับพื้นฐานของตนที่เรียกว่าธรรมศสัพพายะคือใครปฏิบัติธรรมะพอใดแล้วรู้สึกสบายสะดวกดีที่ใจเดินได้ดีสงบได้ดีก็เลือกเอาโลกข้อนั้น ในส่วนของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นการสรวจสอบดูที่กายของเราอันเป็นที่ตั้งแห่งความกนัดเพลิดเพลินยินดีเป็นที่ตั้งแห่งมานาตัหาจิตจิทั้งหลายกรณีท่านสาชนทั้งหลายจะสังเกตว่าถ้าไม่มีความเป็นเราสัอย่ า, างวนะตต่างๆมันก็ไม่มีแต่ที่เกิดปัญหาก็รู้สึกว่าเราเป็นตัวเป็นตน หรือว่ามีตัวมีตนอยู่ในความเป็นเรานั้นจึงมีความรู้สึกยิ่งในศักดิ์ศรีมีความถือตัวถือตนจนนำไปสู่การทะเลาะวิวาทการทำลายล่างกันแต่ในขณะเดียวกันก็เพียรพยายามที่จะสนองตอบความต้องการของตนจะมีการดิ้นรนคนวงไควยกันด้วยวิธีการต่างๆในชั้นหนึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา ใน่วนที่เกี่ยวเดียจกับใจสีเป็นเรื่องของชีวิตที่มีทั่วไปแก่พระริยบุคคลและสามัญชนทั้งหลายแต่การแสวงหาในลันกษณะก่บควยตักตวงจนไม่คำนึงถึงความถูกต้องและสินธรรมดีงามนั้นเป็นการแสวงหาด้วยแรงผลักดันของกิเลสที่จะเพิ่มกระแสความรุนแรงขึ้นไปโดยนัดับจนมีการเบียดเบียนวัุสรยการยื้อแย่งกัน รถมาขัดประโยชน์กันสิ่งเหล่านี้ที่จริงก็สืบเนื่องมาจากความมีตัวตนของเราแล้วก็ให้เกิดรู้สึกความเป็นเราแล้วก็ถือเราถือเขาถือพวกเราพวกเขากระจายออกไปเรื่อยๆก็มีการสนองตอบความต้องการของเราแล้วขัดขวางในความต้องการของบุคคลอื่นอาการทั้งหมดนั้นมีความหลากหลายวิจิตพิสดาร แต่ถ้าเราเชื่อมโยงกลับมาถึงจุดกระตุ้นให้เกิดอาการเหล่านั้นก็จะพบว่าวันอยู่ที่ความรู้สึกว่ามีตัวตนของเราอยู่เราเป็นนั่นเป็นนี้หรือเป็นโ น, น่นไหนต่างๆในกระบวนการนี้ท่านสาธุชนทลายจะสังเกตว่าบางครั้งก็ทรงสอนหยับหยาบแต่ว่าอยู่ในกระบวนการเดียวกันเป็นการให้ทรงพิจารณาก่อนที่จะเสด็จออกประหนด โดยมาดูที่คนแก่คนเจ็บคนตายกขามองเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายที่ทําให้คนแก่คนเจ็บคนตายนั้นมันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแก่ใครก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ความแก่เหล่านั้นก็เป็นผลที่เกิดซืบเนื่องมาจากความเกิดแต่ความเกิดแน่นอนก็เป็นเหตุได้เกิดความแก่แต่ความเกิดเองก็เป็นผล ในช่วงแรกก็ไม่รู้มันผลของอะไรเพราะฉะนนยังมีการศึกษาค้นคว้าสืบสอบไปว่าถ้าแก้ตรงนี้ได้กระบวนการของความแก่ความเจ็บความตายและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็จะกระจัดไปได้และในที่สุดก็ส่งสืบสวนค้นคว้าว่าความแก่นั้นก็ามาจากความเกิดนั่นเองแต่ความเกิดนั้นก็เป็นผลซึ่งเกิดมาจากกิเลส เดี๋าถามกิเลสมาจากอะไรกิเลสมันก็มาจากกิเลสอีกดันั้นเรบางครั้งเราจะไปพบพระพุทธวจนะที่ถามว่าอาวิชามาจากอะไรอวิชามาจากประวัติฐานะประวัติฐานามาจากอะไรมาจากอาวิชามันก็เสร็จแล้วมันก็หมุนคล้ายๆกับไก่กับไข่ในสุดก็มาสรุปรวมเอาสั้นๆว่าก็มาจากอาวิชามัจะสืบสาวไปเท่าไหร่มันก็เจอแต่กิเลสเท่านั้น พูดใดตอนใดตอนหนึ่งเอาก็ได้ในกระบวนการเหล่านี้เพิงสังเกตว่าตัวเหตุจริงๆมันเป็นนามธรรมมันจะเป็นรูปธรรมมาจากนามธรรมนั่นเองก็สร้างขึ้นมาเป็นรูปธรรมแต่ลักษณะเหล่า น, นี้ก็สากลแก่เรื่องทั่วไปตั้งใจเห็นได้ว่าคล้ายๆกับอาคารสถานที่ทั้งหลายหรือว่าข้าวาอาหารเสือ้อผ้าต่างๆจะมีลักษณะอย่างกัน ตัวเขาเป็นรูปธรรมจริงแต่เขาเกิดมาจากนามธรรมาคือเกิดจากความคิดปรุงแต่งของบุคคลความอยากได้ของบุคคลปรารถนาให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ให้เป็นอย่างนู้ น, น, นแล้วก็คิดค้นมีการก่อสร้างมีการปรับปรุงมีการเพิ่มเติมขึ้ น, นมาโดยลาดับความเป็นมันก็เกิดขึ้นแต่ตัวความเป็นมันก็เป็นรู ป, ปรวัตถุมันเป็นเพียงคนที่สืบเนื่องมาจากจิต ซึ่งปรุงแต่งให้เกิดสิ่งต่านี้ขึ้นมาตามลำดับปันในเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะเห็นว่ามีลักษณะอย่างนั้นตัวกายที่ยกขึ้นมาพิจารณาก็เพราะว่าคนเรามีการกำหนดอารมณ์อยู่สองแนวแนวหนึ่งจะกำหนดโดยการแยกส่วนออกไปจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตามก็แยกส่วนออกไป จะได้มองที่ประสาทสัมผัสทั้งหลายมองที่หน้ามองที่ตามองที่จมูกมองที่ปากมองที่อวัยวะต่างๆแต่และชิ้นแต่และส่วนโดยความพอใจหรือไม่ความไม่พอใจบางคนอาจจะรู้สึกว่าไอกเกลียดตาคนนี้จึงบางคนรู้สึกว่าชอบดวงตาคนนี้จริงแสดงว่าไม่ได้ชอบหมดหรือเกลียดหมดแต่เกลียดเฉพาะดวงตาเป็นต้น ลักษณะเหล่านี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะสังเกตได้ว่าความรักหรือความชังที่เกิดขึ้นในคนในสัตว์ทั้งหลายนั้นบางทีไม่ใช่รักหมดชังหมดแต่เลือกรักเลือกชังเอาบางส่วนแต่บางทีก็เอาหมดหรือแม้ความมาร่วบถือไปเลยบ้านหลังนี้สวยที่ดินแปลงนี้สวยคนนั้นสวยรถนั้นสวยสิ่งนั้นสวยก็กําหนดออกไปเป็นจิ้นเป็นอันแต่อย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ย มันเกิดขึ้นจากการเกาะกลุมของสิ่งทังางยแต่การจะพูดในแนวเกาะกลุ่มเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าใจยังไม่ซึ้งกวพอเพราะนั้นพระเจ้าก็จะสอนกรรมฐานประเภทที่รวบกันไปก่อนแต่ในขณะรวบนั้นเองมันก็มีการแยกออกมาจะเริ่มต้นโดยการดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจก็ออกนั้นก็เป็นกายเป็นส่วนรูปธรรม แต่มันสัมผัสได้ด้วยกายไม่จะสัมผัสได้ด้วยตาเราเห็นว่าเราก็ไม่เห็นลมที่หายใจเข้าและหายใจออกอยู่ทุกขณะแต่เรารู้ด้วยกายยามศาสตรข้งเราใน ต, ตัวกายยามศาทที่รู้มันก็เป็นกายตัวลมเองมันก็เป็นกายก็มีการกระทบกันการมองในจุดนี้สามารถจะศึกษาสืบค้นไปได้เรื่อย หมายความวาเรียนจุดเดียวเรียนจะลมหายใจเข้าออกนี่แหละแล้วก็สืบไปได้จนถึงมะขอนิพพานก็นี้เพิ่งสังเกตว่าพระพุทธเจ้าเองตั้งแต่เริ่มตรงนี้เริ่มที่ลมหายใจเข้าออกแล้วก็เดินไปจากลมหายใจเข้าออกนั่นเองจนตัสรูเป็นพระพุทธเจ้าในตอนแรกเป็นการพยายามควบคุมจิตใจให้สงบอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ลมหายใจเข้าออกก็คงเป็นไปตามธรรมชาติของมันเพียงแต่สติสมัมปจนิยะความเพียรเข้าไปกำกับเข้าไปกำหนดระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกกันนั้นแล้วเมื่อมลมหายใจเข้าออกเปลี่ยนแปลงไปมีความละเอียดลงจนถึงก็หายไปใจก็ตามระลึกไปเรื่อ ย, อยในจุดนี้ไปสังเกตว่ามีความส ง, งบเกิดขึ้น ทำกลางความสงบนั่นเองภูมิปัญญาที่สะสมเอาไว้เป็นบา ร, รมีภายในใจในอดีตไกลในอดีตการที่ไกลและในอดีตในอดีตการที่ใกล้โดยการสดับสนต่อฟังโดยการศึกษาโดยการพิจารณามันจะมองดูลมหายใจเข้าออกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะยาวบ้างละเอียดบ้างยาวบ้างสั้นบ้างและบางทีก็ละเอียดลงละเอียดลงจนหายไป มีเปัจจัยมันก็ปรากฏขึ้นมาอีกลักษณะเหล่านี้ที่จึงเป็นลักษณะสากลคือครอบคลุมสรรพสิง่งทั้งหลายเอาไว้แล้ก็ตกอยู่ในกฎเหล่านี้คือมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยถึงจุดหนึ่งเหตุปัจจัยมันหมดมันก็ดับแต่เมื่อกรอคุมขึ้นมาได้อีก มันก็เกิดขึ้นมาได้อีกก็หมุนวนกันอยู่ในลักษณะนี้ในจุดนี้ก็อาจจะยกขึ้นมาพิจารณาในแนวของวิปัสสนาคือดูในแง่ของความเกิดดับซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นพระเจ้าจะแบ่งเป็นสองตอนตลอดไม่ว่าจะมองที่ลมหายใจเข้าออกหรืออะไรก็ตามตอนแรกแก้มุ่งเน้นไปที่สมาธิคือให้เกิดความสงบเสียก่อนเพราะถ้ายังไม่สงบแล้วจะดูไม่ชัด ปัญญามีไม่มากพอที่จะตัดสินมันจะมีความเสน่ห์อลัยมีความยืดใจต่างๆให้เราลองดูอย่างนี้ก็แล้วกันว่าภูมิปัญญาที่บังเกิดขึ้นนมันจะมีการตัดสินได้แตกต่างกันยกตัวอย่างคนบางคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องสุ ข, สขศึกษาเรื่องเชื้อโรคเรื่องจริงสกปรกทั้งหลาย อาหารพวกขนมพวกอะไรก็หล่นลงไปที่พื้นดินแล้วอาจจะเก็บมาปัดฝุ่นนิดหน่อยก็กินได้นั่นแสดงว่าปัญญาเขาน้อยความโลภเขามากก็มเ็นต์เกะ ก, กินมากจงไม่นึกว่ามันจะคุ้มกัหรือเปล่าถ้าหากว่ามีสิ่งสกปรกปนเปื้อนเข้าไปแล้วก็เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายแต่คนบางคนนั้นก็อาจจะยิบขึ้นมาปัดฝุ่นแล้ว อาจจะให้สัตว์กินหรือคนบางคนก็อาจจะทิ้งไปเลยแต่ก็หยิบไปทิ้งไอ้เปที่เป็นทางไอ้ทิ้งไปเลยก็หยิบไปทิ้งมันก็แสดงเรื่องปูปัญญาที่ต่างกันเองทิ้งไปเลยนั้นแสดงให้เห็นว่าความโลภมันลดลงแต่ปัญญาก็เพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึงการรับผิดชอบต่อพื้นที่เหล่านั้นแต่คนคนหนึ่งก็ไปหยิบไปทิ้งเพื่อไม่ให้มันแปดเพื่อนพื้นที่ไม่สกปรก ก็แสดงว่าปัญญาเขาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมีความรับผิด ช, ชอบในความบกพร่องผิดพลาดของตนเพราะจากจุดนี้มันก็ดูอย่างอืง่นได้อยาง ก, การทิ้งขยะของบุคคลการทำสองสองสุกปรณฑเอาไว้ที่จริงมันก็วัดเป็นครึ่งเป็นมากครึ่งวัดจิตใจของบุคคลอยู่เพราะจากลมหายใจเข้าออกนี่เองก็ทําให้บุคคลมองแยกกายออกไปแต่ว่ากายเป็นภาพรวมนั้นก็เกิดขึ้นจากการปรนปรือการหล่อเลี้ยงก็ลมหายใจเข้าออก ลมหายใจก็ออกก็กลายเป็นกายจะสังขารคือผลพลือร่างกายจุแม้ร่างกายเราจะมีความบกพร่องจะลดสูซมไปบ้างแต่ว่ามีลมหายใจเข้าออกอยู่ร่างกายก็อยู่ได้แต่ว่าจริงแล้วลมหายใจเข้าออกก็ไม่เชิงมันเกิดดับก็ทําให้เรามองเห็นสิ่งที่จะปรกกากฏแก่กายซึ่งถูกหล่อเลี้ยงด้วยลมหายใจเข้าออกเพราะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปที่เราเรียกวาชาราหรือความแก่ พอลมหายใจก็ออกที่ทำที่ปรปรือเองมันก็มีความเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกับเราดูภาชนะบนเตาที่วางเอาไว้แต่แทนที่เราจะดูภาชนะเราดูที่ไฟพอไฟนัน้นก็มันก็มีการลุกโชนขึ้นแล้วก็มีการค่อยๆมอดลงไปโดยดับๆเย็นตึงก็ดับไปแต่ก็มีเหตุปจัจจัยมีเชื้อก็ไปเพิ่มแกก็ขึ้นมาได้อีกแล้วค่อยๆมอดลงไปก็ดับอีก ก็ทำให้เรามองสิ่งที่อยู่ในภาชนะว่าตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันคือจะร้อนถึงเดือดแล้วก็ค่อยๆเย็นลงในการเย็นลงของสิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นที่จริงมันอาศัยจากการลดปริมาณความร้อนของไฟที่อยู่งลางเตาเพราะฉะนั้นภายในใจเราจะมีลักษณะอย่างนั้นตัวใจนดกิเลสมันก็เหมือนกับไฟ ถ้าปริมาณมากมันก็สร้างความ ร, าร้อนขึ้นภายในใจถ้าปริมาณก็ลดแล้วความร้อนที่ไปอยู่ภายในใจก็ลดตาลงไปเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้หมือนวนก็อยู่อย่างนี้เราก็ดูได้ทุกจุดมันจะดูที่ลมหายใจเข้าออกดูที่อากาศดูที่ภาชนะอาหารดูที่อะไรก็ได้ก็จะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นแปรผันไปการมองอย่างนี้ มันเกิดไปแก้ความรู้สึกผูกพันว่าเป็นตัวเป็นตนหรือว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเป็นของเราคือถ้าไมา่ระวังเห็นว่าไอ้สิ่งที่เรารู้สึกของเราทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นคือจะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับลมหายใจเข้าออกนี้เองและความเป็นเราถูกแต่งตั้งถูกสมมติถูกมอบมาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้น เราก็จริงมาก็เป็นเรื่องโชครั้งชโวคราวปะเดียวปะดาวความเป็นของเราก็อาจจะเปลี่ยนไปในทางสูงขึ้นหรือเปลี่ยนไปในทางสุดลงแต่ก็ไม่มีความไม่เปลี่ยนแปลงก็จะนองเห็นว่าไอ้ความรู้สึกว่าของเราความเป็นเราทั้งหลายเองมันก็เปลี่ยนแปลงไอ้จีนมันก็ยึดถือน้อยหน่งต้งดูง่ายๆใล้ๆกับเรามองไอซ์รีมที่มาวางเอาไว้ ปัญญาเรารู้ทันว่าไอศกรีมนี้จะอยู่ช่วงสั้นๆแล้วก็จะละลายไปถ้ า, าว่าอยากจะรับประทานก็รับประทานไปเลยแต่ความอยากนั้นจะลดตามความเปลี่ยนแปลงของไอศกรีมคือความน่ารับประทานหรือไม่น่ารับประทานพอถึงจุดหนึ่งพอละลายเป็นน้ํำไปความอยากของคนก็หมดคือไม่รับประทานแล้นี้แสดงเห็นว่าไอความขึ้นความลงของตัวนอกอนอกับตัวในเนี่ยมันจะตามกันไป ตัวหนึ่งลดตัวหนึ่งก็จะลดแต่ตามปกติมันจะลดจากข้างในแต่อาจจะอาศัยข้างนอกกระตุน้นอย่างในกรณีลมหายใจก็ออกเราจะเห็นว่าลมหายใจก็ออกช่วยกระตุน้นกระตุ้นเตือนให้เห็นว่าเขาเองซึ่งปนปลือหลียดร่รางกายเราอย่างเนี้ยเขาก็เปลี่ยนแปลงนะแล้วเกากระดับไปได้นะก็ทําให้เกิดมองเห็นชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วมองเห็นชีวิตที่จะต้องแตกดาบว่าเออถ้าลมหายใจที่เขา รดนปลื้อย่นี้เขาดับเราก็ดับด้วยแล้วจะเห็นไปแม้ในส่วนอื่นๆก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นความรู้สึกก็เป็นดวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขามันก็จากไปคลายไปบันเทาไปจากจุดนี้เองก็เป็นเครื่องถ่ายตอนกิเลสไปได้แต่แม้แต่าการไปดูอิทธิบททั้งหลาย เอียบุก็ย่อยออกมาเกิดเต็มที่จะดูทั้งตัวแต่ดูเฉพาะเอียบุตรมุ่งเน้นให้เกิดเป็นสติสัมปชัญญะระลึกรู้เท่าทันเอียบุตรที่เคลื่อนไหวไปยืนเดินนั่งนอนเป็นหลักไว้ก่อนท่านเรียกว่ารูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนสติสัมปชัญญะประคับประคองไปรู้เท่าทันเอียบุตรดอกนั้นแต่ในขณะ ด, ดูไปดูไป ใ, ใจมันสงบ ก็จะเห็นลักษณะอย่างเดียวกันว่าที่จริงแล้วอิเดียบทเนี่ยมันเกิดดับอยู่ตลอดจะแนวการเจริญกรรมฐานที่ทำกันเป็นรูปแบบวิธีกรรมจริงๆมีสถานที่อํานวยให้จะมีการเดินจุกลมเดินจุกลงก็การยกเท้าการเหยียดออกการเหยียบลงจะทำเป็นสามจังหวะไปก่อนแล้วเหยียบลงนั้นอาจจะเหยียบลงจากปลายเท้าแล้วก็กดลงมาจะถึงส้นเท้าถึงพื้น เรจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกับลมหายใจเข้าออกคือมีการเกิดขึ้นมีการตั้งหยุดมีการดับไปยกเท้าเท้าขึ้นก็เป็นเกิดเหยียดเท้าออกการยกก็ดับพอเหยียดออกกลายเป็นเกิดพอเหยียบลงไอการเหยียดก็ดับพอเหยียบลงที่ปลายเท้าพระกดเท้าลงขี่ยาเหยียบก็จับมันกลายเป็นยืนยาบนอื่นก็จะมีอย่างเดียวกัน นี่เเห็นว่าส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นมือเป็นเท้าเป็นียบุตรของเราไม่มีการเกิดดับพอดูไปที่ตัวรวมๆคือทั้งชีวิตร่างกายทั้งหมดมันก็เกี่ยวเนื่องถึงียบุตรเมื่อพวกนี้มันเกิดดับไอ้ตัวชีวิตเองก็ต้องเกิดดับใจคงจะมองเห็นในความไม่เที่ยงแท้ในนอนในชีวิตในแนวแก่เจ็บตายต่งางๆแล้ว ตนามานะที่ถิ่ที่มีอยู่มากๆ ก, ก็จะลดลงไปจากองไปคลายลงไปเพราะเอาเรื่องอะไรมันไม่ได้แนเ่เนนี้บางทีเนี่ยจงสอนได้มองใล้ยๆกับเรือนที่ถูกไฟไหม้แต่ตอนไฟไหม้ครั้งแรกนั้นความวาดหวังว่าจะดับได้มันต้องมีอยู่คนจะดิ้นรนในแง่ของการดับก่อน แต่ถ้าคนเกิดตัดสินใจแน่ใจว่าสุตรจะต้านทานในจุดนั้นได้คนฉลาด ก, ก็จะวิ่งไปเอาทรัพย์สมบัติที่พอจะเอาได้แล้วก็มีค่าที่สุดออกมาจากเรือนที่กําลังถูกไฟไหม้ทีวิตร่างกายที่เราที่อาจจะเรียนลมหายใจเข้าออกเรียนกายบริยาบทก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือเราจะพบเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับอย่างจืบเนื่องของร่างกายในแต่ละส่วนและแต่ละจุดก็พร้อมที่จะดึงชีวิตให้ดับ ดับตรงไหนก็ไม่มีใครรู้ดับโดยวิธีใดก็ไม่มีใครรู้ดับเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ดับแล้วไปไหนก็ไม่มีใครรู้แต่ก็ดับแน่ก็ทําให้มีลักษณะตื่นตัวรู้ทั่วพร้อมตัวสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตก็พยายามที่จะหยิบฉ่วยสิ่งที่เป็นสารประโยชน์จากการมีชีวิตให้ได้หรือเจ้าแนวหนึ่งก็คือแนวทําบุญเพืเ่อหลีกหนีสภาพเกิดแก่ตายที่มันซ้ํซ้ ซ, ซ, ซากๆากแล้วก็เป็นไปเร็วแล้วเกิด ก็ปรหยยดให้แก่เจ็บตายช้าลงในรูปของสวรรค์ในรูปของพรหมอะไรต่างๆเราจะเห็นว่าที่จริงมันก็เกิดแก่ตายแต่ว่ามันช้าในแต่ละช่วง ม, มันช้าลงก็ทำให้ประสบความทุกข์น้อยลงซึ่งก็หมายความ่าเรามีความสุขเพิ่มขึ้นกิเลสเองเขาก็ลดลงไปจางลงไปคลายลงไปวันพวกเหล่านี้โดยสภาพจิตโดยภูมิจิตเขาก็สูงกว่าสามัญชน ท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสมันจางไปมันลดไปแล้วตัวกระตุ้นที่เกิดปัญหามันก็มีน้อยสภาพแวดล้อมต่างๆก็ดีไอตัวกระตุ้นกันนอกมันก็ไม่ค่อยรุนแรงอะไรเท่าไหร่ลักษณะเหล่านี้เราก็ดูตัวเราเองได้เ ร, เราอยู่ในสถานที่บางแขงใจใจสงบเยือกเย็นมีความปรงเบาสบายไม่มีความเครียดไม่มีความไม่ติดกังวลเพราะสภาพแวดล้อมเนี่ยช่วยอยู่ส่วนหนึ่ง แต่บางทีเราไปหยุดในสถานที่หนึ่งกุงคนก็เปลี่ยนแปลงไปมีอาการบีบคั้นจัดสภาพเป็ล้อมรุนแรง อ, อึดอัดหายใจไม่เคอยออกหรือมีฝุ่นมีละอองมีเสียงดังมีสภาพสกปรกรกรุงรังต่างๆเป็นต้นแล้วก็ให้เกิดความเครียดขึ้นมาภายในใจจิตใจบันจะออกมาในรูปของการปฏิเสธที่อยู่ในที่นั้นเมื่อไปไม่ได้ก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความรำคาญเกิดความโกรธเกิดอะไรรุนแรงขึ้นไป ท่านเมื่อไปอยู่ในสภาพไปรอบที่ดีเป็นเทวดาเป็นพรหมปัจจัยเพิ่มกิเลสไม่มีน้อยปัจจัยเกิดธรรมะมีมากเพราะการทารักษาคุณภาพจิตของท่านไปได้แต่ส่วนหนึ่งเมื่อมองเห็นว่ามันเป็นกงเกวียนที่ซ้ําซ้อนเป็นวัฏจักรเป็นภาวะจักรที่เกิดมีกรรมมีกรรมมีผลของกรรมแล้วก็ทําแล้วมีกิเลสมีกรรมมีผลของกรรมก็หมุนวนก็นอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักหยุด เราก็ทําให้เบื่อหน่ายที่จะซ้ซําๆำซากๆอย่างนั้นได้คิดออกไปจากสังสาราวัฏคนกลุ่มหนึ่งก็จึงใช้ความเปลี่ยนพยายามที่จะออกไปสังสาราวัฏแต่ว่าทำมาเทศนาที่ทรงวางไว้เอ่ทรงวางไว้ทั้งระดับบรรเทาทั้งระดับขัดเกลาทั้งระดับส ง, งบทั้งระงับระดับระงับแล้วก็ลังระดับที่ดับแต่เป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าทําได้ในจุดใดก็ตาม ผลประโยชน์จะเกิดขึ้นในจุดเหล่านั้นการสงบระ ง, งับกิเลสได้ระดับศีลเมื่อก็ให้ผลประโยชน์ระดับศีลแต่ก็เป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขที่จะสัมผัสผลสูงขึ้นไปกว่า น, นั้นมันจะจุดของอธิยบทเนี่ยเมื่อความเป็นเพียนไปมันก็เป็นในสมถะในตอนต้นแล้วก็เป็นวิปัสสนาในตอนต่อมาเหมือนกันเดีย๋ยวคนหนึ่งอาจจะไปจับที่ใช้สติสัมปชัญญะระลึกรู้การเคลื่อนไหวทุกขณะทุกเรื่อง ยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะทำจะพูดจะคิมจะจะเคี้ยวจะริมจะคู้ขแขนจะเจียดแขนจะหยิบของต่างๆสแสดงว่าการปฏิบัติในลักษณะนี้ในแง่ของศีลธรรมจัญยาก็ช่วยแล้วช่วยไม่ให้เกิดการพลั้งพลาดเผลอเรอหลงลืมทำอะไรแต่หากเสียหายเป็นการปฏิบัติระดับกรรมฐานแต่ว่าจะมาช่วยในระดับศีลธรรมจัรยาได้ พอคนเราจะทำอะไรยังมีสติสัมปจนญายติอยู่เสมอโอกาสที่จะผิดพลาดบกพร่องมันก็น้อยลงพอมาถึงระดับที่เป็นกรรมฐานก็ปริมาณ ส, ต, สยายติสัมปจนญายตความเพียรใช้ไปมากขึ้นสติระลึกรู้อยู่ทุกๆขณะใจก็จะสงบแนบแน่นไปกับอิเียบทที่มีความเปลี่ยนแปลงคือระลึกรู้ไปเรื่อยๆถ้าเอว่าปฏิบัติได้จริงๆจะเห็นว่าอิเดียบทมันเคลื่อนไหว แต่ใจประกอบได้คือตามทันอยู่ตลอดระยะเวลาใจก็จะมีกําลังคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับคนที่ถือของเดินบนรถไฟได้เห็นพนัก ง, งานบริการบนรถไฟสามารถถือถ้วยถือถาถืออะไรก็เดินได้เรียบร้อยแต่คนเหล่านี้ถ้าเอามาเดินข้างล่างก็จะคล่องพราขนาดเดินมันแข่งก็ยังคล่องแต่คนบางคนก็เดินขนาดนั้นไม่ได้ไม่จะเดินข้างล่างได้ก็ได้ เพราะภูมิปัญญาของคนที่สามารถประกบจิตให้อยู่กับอารมณ์ที่เคลื่อนไหวได้เนี่ยจิตก็มีประสิทธิภาพทางสมาธิอยู่สูงแต่ในขณะเดียวกันในจุดนั้นเองมันก็เป็นพลังที่ให้ท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงความแตกดับที่ไม่คงที่ของสิ่งนั้นคือ เ, เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแม้คูแขนเหียดแขนเราห็วนวคู่มันก็เกิดเหียดมันก็ดับอาการคู้มันก็ดับไปแล้วกลายเป็นเหยียด แลว้วยเดิ้เกิดขึ้นพอเราคู่กลับประการเย่ยมนก็ดับมันจต้องเกิดดับเกิดดับก็ดูกันได้ตลอดบางทีบางท่านเนี่ยถ้าไม่ดูอะไรทุกซึ้งขนาดนั้นอาจจะดูฟองน้าําอาจจะใบ ไ, ไม้ไมันร่วงหล่นลงมาก็เห็นความเกิดดับเห็นความเปลี่ยนแปลงแ ป, ปรปลัวแล้วก็น้อมนึกเข้าไปได้ด้ความรู้สึกได้อย่างนี้ ลักษณะการขว้คว้าลักษณะยุดติดเจักษณะยึดมั่นถือมั่นที่เคยมีด้วยอำนาตัณหามานาทิฏฐิก็เบาลงไปได้เพราะในจุดนี้มันก็ไปสู่มรรคผลที่ผ่านได้เช่นเดียวกันในส่วนนี้เป็นสังเกตว่าคนที่มีตัณหาจริตไม่รุนแรงเกินไปมีปัญญามากกว่าสมควรสามารถปฏิบัติกรรมฐานพวกนี้ได้แล้วปฏิบัติไปแล้วผมก็จะออกมาดังกล่าว คือมันจะไปแก้ปัญหาอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าวิาวธีการวิธีการสอดคล้องกับพื้นฐานของเขาทำนองคล้ายคกับสาตัวชนทั้งหลายมาสู่วัดวรนิเวทวิหารก็มากันทางไนก็ได้ก็ไม่ว่ากันแต่ประเด็นสำคัญว่าถึงตรงนี้หรือไม่ถ้าถึงก็ทุกคนถูกต้องเพราะธรรมะปฏิบัติมันก็อยู่ที่ว่าตัณหาลดไปไหมมานะลดไปไหมทิฏฐิลดไปไหม ตต่หาสงบไหมแต่หาสงบลงไหมมานะสงบลงไหมทิฏฐิสงบลงไมถ้าสงบก็ใช้ได้ถ้าไม่สงบไม่ก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าการมองนั้นจะต้องมองหลายๆจุดคือบางทีเนี่ยเรื่องบางเรื่องเราบอกว่าเราไม่ยินเดียแต่ถามไมยินร้ายหรือเปล่าสิ่งอะไรก็ตามถ้าเรายินไรแสดงว่าเราต้องยินดีด้วย ถ้าเราไม่ยินดีเราก็จะไม่ยินได้บางทีไอ้คำว่าไม่ยินดีนั้นอาจจะเป็นโทสะอาจจะเป็นความไม่พอใจจะต้องมองให้เห็นทั้งสองด้านแล้วก็จะเห็นจิตตัวเองรู้จักจิตตัวเองได้อย่างชัดเจนแต่อย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยให้เกิดความสงบ แต่ต้องการจะถ่าย ถ, ายถอนฐน า, ามาณทิจีที่อาศัยกายซึ่งมันเกาะกลุ่มเกาะกลุ่มกันอยู่เป็นที่ตั้งของอะไรสารพัดอย่างนะถ้ากายเราไม่มีคือยึดถือกายน้อยลงเนี่ยการปลนปลือตัวเองก็จะน้อยลงเ พ, พราะเราจะพบว่าพระพุทธเจา้าท่านไม่มีความยึดถือในพระกายของพระองค์เพิ่นที่นอนก็ น, นิดเดียวเนใช้ไม่สอยก น, นิดเดี จะไปใดไปในที่ใดก็ไม่มีการหอบประรงประรังก็มีแต่บาดก็ไปได้ทุกผลทุกแข่งดิจานอุปมาการไปของพระอาหารว่าเหมือนกับนกที่มีปีกก็บินร่องลอยไปในที่ต่างๆจาับในที่ใดก็ไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ในที่นั้นและเมื่อจะบินจากไปก็ไม่มีความเยื่อใจอะไรในที่นั้นนั้นคือผลที่ปรากฏภายในจิตซึ่งบุคคลสามารถสัมผัสได้ใน ระดับต่างๆตามกรอบกรอบข่ายการประพฤติปฏิบัติของตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป